อ, อ่าวันนี้เป็นวันพระวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าให้ชาวพุทธเราเข้าวัดกันเพราะวัดเป็นเหมือนโรงเรียนชาวพุทธเราเป็นเหมือนนักเรียนถ้านักเรียนไม่ไปโรงเรียนเรียนก็เรียนไม่จบนี่คือปัญหาของชาวพุทธเราทั้วันนี้ เป็นชาวพุทธแต่เรียนแต่เรียนไม่จบวิชาพุทธศาสนากันเลยไม่ได้รับปริญญากันพุทธศาสนามีปริญญาอยู่สี่ระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าโสดาบันนะระดับที่สองเรียกว่าสกิดาคามีระดับที่สามเรียกว่าอนาคามีระดับที่สี่เรียกว่าอาหารหัน อันนี้คือปริญญาบัตรที่ชาวพุทธเราจะได้รับกันถ้าเราขยันไปโรงเรียนกันปัญหาคือเราไม่เข้าวัดกันก็เลยเป็นนักศึกษาที่ไม่มีปริญญาเรียนกันไมไม่รู้กี่ปีเรียนแล้วก็ไม่ได้รับปริญญา มือนนักศึกษานามคาแหงเรียนกันไม่รู้กี่ปีแต่ไม่ได้จบปริญญาเพราะว่าไม่เรียนกันสมัครเรียนแล้วแล้วก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างดูหนังสือบ้างไม่ดูหนังสือบ้างเอพอถึงเวลาไปสอบก็สอบไม่ได้อนี่แหละคือเรื่องของชาวฝุดล้ว พุทธศาสนาในความจริงไม่ใช่เป็นศาสนาพิธีเอไม่ใช่เรามาทําพิธีกรรมต่างๆอันนี้เป็นเงเพียงส่วนประกอบของศาสนาพิธีกรรมต่างๆเช่นการทําพิธีขอศีลพิธีอพิธีขออะไรต่างๆเททองหล่อพระพิธี ทำน้ำมนต์พิธีอะไรตอนนี้มันเป็นส่วนประกอบเป็นเป็นเหมือนผักชีโรยหน้าของศาสนาไม่ใช่เป็นเต๋อเนื้อของศาสนาเนื้อของศาสนาคือวิชาความรู้เนี่ยความรู้ทั้งโลกเนี่ยไม่มีความรู้อันไหนจะสู้ความรู้ของพระพุทธศาสนาได้ เพราะความรู้ทั้งโลกนี่เป็นความรู้แบบความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดต่อให้เรียนจบปริญญาเอกไม่ว่านายจะสาขาไหนในแขนงไหนต่อให้ไปได้รับรางวัลอะไรต่างๆท้งโลกหลังจากที่เรียนจบแล้วไปทำวิจัยไปทำอะไรแล้วก็ได้รับรางวัล ความรู้เหล่านี้เป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดไม่รอดจากอะไรไม่รอดจากความทุกข์เลยคนจบปริญญาเอกยังร้องห่มร้องไห้ได้ยังเศร้าโศกเสียใจยังเครียดกับเรื่องนั้นเครียดกับเรื่องนี้ได้นี่ละ่ะคือเรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดไม่สามารถ เอาตัวให้รอดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้รอดได้ก็เพียงแต่ความทุกข์ยากลาบากทางร่างกายถ้ามีความรู้มีปรัญญาก็หาเงินได้หางานได้ดีได้เงินมาก็ซื้อมาซื้อของที่จาเป็นต่อการเลี้ยงดูชีวิตซื้ออาหารซื้อปัจจัยสี่มาเลี้ยงร่างกาย รอดรอดจากความทุกข์ยากทางร่างกายแต่ก็ไม่รอดจากความทุกข์ทางจิตใจต่อให้มีบ้านใหญ่โตเป็นข้าราชกามีอาหารากินอย่างเต็มที่มีเสื้อผ้าอพริ้สวยงามไม่สวมใส่มียารักษาโรคสิ่งเหล่านี้ก็รักษาได้เพียงร่างกาย ดูแลได้เพียงร่างกายแต่จิตใจนี้สิ่งเหล่านี้ดูแลไม่ได้ช่วยเหลือจิตใจไม่ได้กำจัดความทุกข์ของจิตใจไม่ได้ความจัดความจัดความวิตกความกังวลความหงอยใหญ่ความหวาดกลัวความวุ่นวายใจความฟุ้งร้านความซึมเศร้า อาการต่างๆเหล่านี้เป็นอาการของความทุกข์ทางใจที่ไม่มีวิชาความรู้ทางโลกสามารถที่จะกาจัดได้มีวิชาทางธรรมของพระพุทธศาสนานเพียงวิชาเดียวเท่านั้นที่จะสามารถกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้นี่แหละคือความสำคัญของ ความรู้ทางพระพุทธศาสนาแต่ชาวพุทธเหล่านี้กลับไม่เห็นความสำคัญไม่รู้ว่าศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งความรู้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้คำว่าพุทธะก็คือผู้รู้ผู้รู้ความรู้ที่ประเสริฐที่สุดที่ดีที่สุดที่มีคุณค่ามากที่สุดก็คือธรรม ทำที่ทำให้พระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพอพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็เอาความรู้นี่แหละที่พระองค์ได้ใช้ได้ค้นพบเอามาสะพื้แผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกต่อไปยุคแกแรกนี่ชาวพุทธนี้จะเป็นนักศึกษาล้วนๆเลยไม่มี ไม่มีการกระทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเข้าหาพระพุทธเจ้าขอฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าขอเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าสอนแล้วก็นําออกไปปฏิบัติพอไปปฏิบัติก็สําเร็จเอการปฏิบัติก็คือการไปทําการบ้านการไปทําข้อสอบนี่อพอทําการบ้านได้ทําข้อสอบได้ ก็รับปริญญาได้มันรู้เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาตามลำดับมันรู้ขั้นที่หนึ่งก็เป็นพระโสดาบันขั้นที่สองก็พระสะกิดาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์ท่านเหล่านี้เป็นผู้ได้กาจัดความทุกข์ให้หมดไปทีละขั้นความทุกข์มีแบ่งไว้สี่ขั้นด้วยกัน ขั้นแรกก็กําจัดความทุกข์เกี่ยวกับความกลัวตายความกลัวเจ็บนะทุกคนเกิดมาแล้วต้องทุกกับความกลัวกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายกันแต่พระโสดาบันนี้พอเรียนจบแล้วจะไม่กลัวจะไม่กลัวความแก่จะไม่กลัวความเจ็บจะไม่กลัวความตายนี่คือขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สองพระสกิรดาคามีจะกำจัดความกลัวกับความอยู่ตามลำพังคนเรานี่กลัวความว้าเหวกันอยู่ตามลำพังไม่ได้เหงาต้องมีเพื่อนต้องมีแฟนแต่พระสกิรดาคามีนี่จะทำให้ความกลัวเบาบางลงไปแต่ยังไม่สามารถกำจัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ กำจัดได้ประมาณครึ่งหนึ่งบางเวลาอยู่คนเดียวก็ไม่รู้สึกเหงาบางเวลาอยู่คนเดียวก็ยังรู้สึกเหงาอยู่ต้องรอขึ้นไประดับที่สามระดับพระอนาคามีนี่จะสามารถกำจัดความกลัวอยู่กลัวกับความอยู่คนเดียวกลัวอยู่กับความว้าเหวต้องมีแฟนต้องมีเพื่อนแต่พระอนาคามีนี่ สามารถกำจัดความกลัวเหล่านี้ได้กำจัดด้วยการทำลายความอยากมีเพื่อนหลับนอนด้วยนั่นเองวิธีที่กำจัดท่านก็พิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายพอเห็นร่างกายไม่น่าไม่สวยงามอย่างที่คิดก็จะไม่มีความอยากได้ร่างกายของคนอื่นมาเป็นแฟนมาเป็นเพื่อนหลับนอน เ้าไม่มีความอยากก็อยู่คนเดียวได้ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเหวะพระอาหารหันต์ก็กำจัดความทุกข์ที่อยู่ในอยู่ในตัวเองอยู่ในจิตในใจความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่ทำให้เกิดความว่าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาพระอาหารหันต์นี่จะกำจัดได้หมด จะไม่มีความรู้สึกนึกคิดที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองทำให้จิตใจหวาดกลัววิตกกังวลห่วงใ ย, ยกับอะไรต่างๆทั้งหมดนี่แหละคือประดญดาของพระพุทธศาสนาชาวพุทธเราควรจะทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาพิธีแต่เป็นศาสนาศึกษา เป็นเป็นศาสนาที่สอนให้เรามีความรู้เพื่อที่เราจะได้เอาความรู้นี้มากำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปาการที่เราจะรู้ได้เราก็ต้องเข้าห้องเรียนเห็นไหมมหาลัยที่เขาบังคับให้นักศึกษาเข้าเรียนทุกวันอ า, อาทิตย์ละห้าวันจันทร์ถึงศุกร์ กับมาหาลัยที่ไม่ได้บังคับนี่ต่างกันนะมมหาลัยที่ไม่บังคับให้เข้าห้องเรียนจะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้แล้วผลเป็นไงบัณฑิตที่จบจากมหาลัยที่ไม่บังคับกับบังคับนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนเนะมหาลัยที่บังคับให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนนี้เกือบร้อยทั้งร้อยจะต้องจบได้รับปริญญากันเท่านั้นส่วนมหาลัยที่ไม่บังคับปล่อยให้เข้า ก็ได้ไม่เข้าก็ได้ผลก็คือบัณฑิตจะไม่ได้ครบร้อยไม่เต็มร้อยไม่รู้ได้ถึงห้าสิบหรือเปล่าสมัครเรียนกันไม่รู้กี่หมื่นแต่จบปริญญากันจริงๆไม่รู้กี่พันะอันนี้คือเรื่องของสถาบันการศึกษาซึ่งพระพุทธศาสนาของพวกเราก็เป็นสถาบันการศึกษาอันหนึ่ง แต่พวกเรากลับไม่มองว่าเป็นสถาบันการศึกษากลับไปมองว่าเป็นสถาบันของการาไหว้ของการกราบของการขอสิ่งต่างๆออยากได้อะไรเมื่อหาเองไม่ได้ก็มาวัดกันไปโบสถ์กันไปจุดธูปเทียนแล้วก็อธิษฐานขอกัน ขอให้ได้แฟนดีๆขอให้ลูกเรียนจบขอให้ได้งานดีๆขอให้ได้จบปริญญาขอให้ได้เข้ามาหาลายัยขอกันทั้งนั้นเก้าสเก้าจาเซเข้าวัดเพื่อขอกันไม่ได้เข้าวัดเพื่อศึกษากันทั้งๆที่วัดนี้เป็นสถาบันการศึกษา เมื่อมีแต่คนก็ขอกันพระที่มีหน้าที่สอนก็เลยไม่ได้สอนก็เลยมาทำหน้าที่ให้กันให้พรกันใหญ่ใครมาก็ให้พรกันขอให้ล่าให้รวยขอให้สุขให้เจริญกันคนมาขอก็ดีอกดีใจได้สำเร็จประโยชน์แล้วมาขอพระพระก็ให้พรส่วนให้อายุวันโนสุขขังพลัง พอได้เทีนี้ก็ดีใจกลับบ้านนะทีนี้ก็ไปรอรับของที่ขออยู่ออนี่นี่คือเรื่องของศาสนาเราทุกวันนี้กล า, ายเป็นที่เสี่ยงเซียมซีเป็นกลายเป็นที่เสี่ยงโชคเสี่ยงวาสนากันออไม่ได้เป็นสถานศึกษาไม่ได้เป็นสถาบันการศึกษาไปออ ท, ทั้งทั้งที่ ความจริงของศาสนานี้ถ้าไปศึกษาดูประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนานดูเป็นสถาบันการศึกษาวันแรกของการก่อตั้งศาสนานวันอะไรรู้ป่ะไม่รู้กันเราจะเล่าให้ฟังวันแรกของการก่อตั้งศาสนานการเปิดโรงเรียนวันแรกของพระพุทธศาสนานคือวันเพ็ญเดือนแปดนี่แหละวันที่ผ่านมาตอนที่เราเรียกว่าวันเข้าพรรษาเนี่ย วันนั้นแหะก่อนหนึ่งวันวันเข้าพรรษาเป็นวันแรมหนึ่งค่ำวันก่อนแรมหนึ่งค่ำคือวันเพ็ญเดือนแปดที่เรียกว่าวันอาสาลาหบูชาวันนั้นเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าเอาคําสอนที่ได้ทรงเอาความรู้ที่ได้ทรงตัดสั้นในวันเพ็ญเดือนหเมื่อสองเดือนมาก่อนตัดสั้วันเพ็ญเดือนหแล้วอีกสองเดือนต่อมาก็ตัดสินใจ เอาความรู้นี้มาแจกจ่ายให้แก่คนที่ไม่รู้ตอนต้นยังไม่มั่นใจว่าจะมีใครสนใจหรือเปล่ายังไม่แน่ใจว่าเอามาสอนแล้วจะกลัวเปิดโรงเรียนแล้วจะไม่มีนักเรียนมาสมัครเลยต้องนั่งคิดอยู่หลายรอบด้วยกันจนในที่สุดก็คิดว่าจะต้องเจาะตลาดคือจะต้องไปหานักศึกษาที่สนใจ นักศึกษาที่ยังไม่สนใจจะไม่ไปจะไม่ไปสอนเลือกคนสอนก่อนหลังจากใช้พิจารณาคนดูก็เห็นว่าคนมีปัญญาอยู่สี่ระดับด้วยกันที่เรียวกว่าบัวสี่ดาวพวกที่มีปัญญาความรู้มากเป็นพวกถือว่าถ้าเปรียบเทียบก็เป็นลิสิตนักศึกษาอยู่ขั้นอุดมศึกษาขั้นที่หนึ่ง วงนี้สอนแล้วจบปริญญาได้เร็วที่สุดนะขั้นที่สองก็พวกอยู่ระดับมัธยมอต้องใช้เวลามากขึ้นอีกหน่อยแล้วขั้นที่สามก็พวกที่อยู่ระดับปถมมนุษาลอ่ะส่วนพวกส่วนพวกขั้นที่สี่คือพวกที่ไม่ยอมเข้าโรงเรียนพวกที่สี่นี้ก็ไม่ไปสอนให้เสียเวลาเพราะไม่สนใจที่จะศึกษาเร่มเรียน แต่ถ้าจะไปสอนพวกอนุบาลพวกวระถมมันก็ใช้เวลาหลายปีกว่าจะจบสิบกว่าปีถึงสิบหปีถึงจะได้ปริญญาตรีแต่ถ้าไปสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีนี่สี่ปีก็สามารถจบได้เลยก็เลยครั้งแรกของการศึกษาพระพุทธเจ้าก็เลยมุ่งไปสอนพวกที่อยู่ระดับปริญญาตรี พวกที่อยู่ระดับปัญญาติของพระพุทธศาสนาคือพวกไหนคือพวกนักบวชพวกที่มีศีลบริสุทธิ์รักษาศีลตลอดเวลาแล้วก็มีสมาธิเข้าฌานได้เข้านั่งสมาธิจิตใจสงบมีจิตใจเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้นี่เป็นพวกนิสิตนักศึกษาปีสีแล้วเนี่ย พอมาสอนพวกปีสเพียงคำสองคำเขาก็สามารถนับปริญญาบาตได้เลยเห็นไหมพอแสดงธรรมครั้งแรกแสดงให้กับพระปัญจวคีพระปัญจวคีนี้ก็เป็นนักบวชเคยบวชเคยปฏิบัติอยู่กับพระพุทธเจ้ามาก่อนพระพุทธเจ้ารู้วพวกนี้มีศีลบริสุทธิ์รู้ว่าพวกนี้มีฌานมีสมาธิแต่ไม่มีปัญญา ไม่มีความรู้วิธีกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจว่าอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์มีพระพุทธเจ้าสองคนพบคนแรกสงคนพบว่าต้นเหตุของความทุกข์ทั้งปวงเกิดจากกิเลสตัณหาเกิดจาเกิดจากความโลภความโกรธความหลงเกิดจากความอยากต่างๆถ้าอยากจะกําจัดความทุกข์ต้องกําจัดพวกกิเลสตัณหานี่ และวิธีวิธีกำจัดก็ต้องไม่ทำตามมันเช่นเวลามันอยากได้อะไรก็อย่าไปให้มันถ้าให้มันแล้วมันจะอยากเพิ่มขึ้นอีกมันจะไม่ตายความอยากจะไม่ตายถ้ามันอยากแล้วไม่ให้มันเดี๋ยวมันจะไม่มามันเช่นคนที่ขอเงินนี่ถ้ามาขอเงินเรานี่อยากได้เงินเราถ้าเราให้เงินเขาไปนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมาขออี ก, อก เพราะว่าได้แล้วก็อยากได้เพิ่มอีกแต่ถ้าเขามาขอเงินเราเราไม่ให้เขาพรุ่งนี้เขาก็ไม่มาขอเพราะรู้ว่ามาก็ไม่ได้เขาก็จะไม่มาอนี่คือธรรมชาติของความอยากความอยากจะหมดไปได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ทำตามความอยากถ้าเราทำตามความอยากมันจะกลับมาเช่นวันนี้อยากจะ อยากจะไปเที่ยวเพอให้มันไปเที่ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็อยากจะเที่ยวเอแต่ถ้าวันนี้มันอยากไปเที่ยวไม่ให้มันไปเที่ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มันไม่กล้าอยากไปเที่ยวเพราะอยากแล้วมันก็จะไม่ได้ไปเที่ยวต่ อ, อไปมันก็จะไม่อยากเที่ยวพระพุทธเจ้าสอนพระปัญจวัคคีย์ตอนนัดตอ น, ต, อนต้นก็มีนักศึกษาแค่ห้าคนนั้นห้ารูปปัญจะแปลว่าห้า มันจะวคกีคือฤาษีห้ารูปผู้ที่มีมีศีลมีสมาธิแต่ไม่มีปัญญาไม่รู้จักอริยสัจสีเนี่ยพอพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจสี่สอนให้รู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากกามาตนะหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาวิธีกำจัดความทุกข์ก็ทำใจให้นิ่งเฉยเฉยเวลาเกิดความอยากก็ ทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วใจจะไม่ทุกข์กับความอยากทําทำใจให้สงบไม่ได้จะทนสู้กับความอยากไม่ได้เดี๋ยวก็จะต้องไปทําตามความอยากถ้าไปทําตามความอยากความอยากมันจะไม่หมดความทุกข์มันจะไม่หมดมันอาจจะหมดชัว่วทาวพอเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไปทําตามความอยาก ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนั้นก็จะหายไปชั่วคราวแต่เดี๋ยววันต่อมามันก็จะกลับมาใหม่แต่ถ้ามันอยากแล้วเราทุกข์เราก็หยุดความทุกข์ด้วยการทําใจให้สงบ เ, เรานั่งสมาธิเป็นเราก็ไปนั่งสมาธิแทนเช่นอยากจะไปดื่มกาแฟก็ไปนั่งสมาธิแทนอยากสูบบุหรี่ก็ไปนั่งสมาธิแทน อยากดูละครก็ไปนั่งสมาธิแทนอยากไปซื้อกระเป๋ารองเท้าก็ไม่นั่งสมาธิแทนทำอย่างนี้ไปต่อไปความอยากเหล่านี้จะหายไปจะไม่กลับมาคนที่ก็เลิกบุหรี่ได้เลิกเหล้าได้เพราะอะไรก็เพราะเขาไม่ทำตามความอยากเวลาเขาอยากจะสูบบุหรี่เขาก็ไม่สูบเขาต้องห้ามเวลาเขาอยากดื่มสุราเขาก็ต้องห้าม ถ้าไปดื่มมันก็จะไม่หยุดถ้าไม่ดื่มเดี๋ยวมันก็หยุดพอแสดงธรรมให้กับพระปัญจวัคคีย์ให้เข้าใจสำหรับธรรมที่ทรงแสดงก็เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเรื่องของความทุกข์กับร่างกายทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายเพราะอะไรถึงทุกข์เพราะอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่อยากอยู่ อยากเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยอยากสวยอยากหล่อไปเรื่อยแต่ร่างกายมันไม่เที่ยงมันเป็นของที่เกิดแล้วก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่เที่ยงอนิจังอนัตตาเราไปบังคับมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ห้าไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ได้ห้าไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ได้ห้าไม่ให้ร่างกายตายไม่ได้ ถ้าไปอยากแล้วก็จะทุกข์ไปเปล่าๆยอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บยอมรับความตายด้วยปัญญาปัญญาคือยอมคือเห็นความจริงนั่นเองความจริงของร่างกายก็คือมันต้องแก่ล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มันต้องเจ็บล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้มันต้องตายล่วงพ้นความตายไปไม่ได şey ้พอปัญญาสอนใจว่าอย่าไปฝืนอย่าไปอยากถ้าไม่อยากจะทุกข์ ก็เลยทําใจให้สงบดีกว่าปล่อยให้มันร่างกายมันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปเ อ, อทําใจให้เฉยเป็นุเบคาอย่าไปยุ่งกับร่างกายอย่าไปอยากกับร่างกายพอทําได้ใจก็สงบหายทุกเนีเออ่ยพ อ, อสแสดงทำครั้งแรกหนึ่งในห้าพระปัญจวัคคีย์ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับแรกได้ระดับของร่างกายได้ะ มันลูกเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้เห็นไหมเปิดโรงเรียนวันแรกสอนวันแรกครั้งแรกก็มีนักศึกษาจบปริญญาขั้นตีแล้วเนี่ยคนสอนก็มีมีกําลังใจเลยสอนแบบนี้ก็เลยสอนอีกสอนอีกสองสามครั้งก็จบปริญญาเอกกันทั้งห้าองค์เนี่ยพอแสดงธรรมอีกสองสามครั้งแสดงสอนว่าทุกอย่างเป็นอนัตตา ร่างกายเป็นอนัตตารูปเสียงกลิ่นรสเป็นอนัตตาอารมณ์ในใจก็เป็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาเราไปบังคับไปควบคุมมันไม่ได้ต้องปล่อยวางถ้าไม่อยากจะทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราจะไปคอยควบคุมสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ควบคุมให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราแต่เราควบคุมมันไม่ได้เราต้องปล่อยมัน ปล่อยมันมันจะเกิดก็เกิดมันจะดับก็ดับมันจะอยู่ก็อยู่ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันให้รู้เฉยๆเท่านั้นพอคนฟังแล้วเข้าใจก็หยุดความทุกข์ต่างๆได้จบปริญญาอีกได้รับปริญญาภายในสองสามวันที่ได้ประกาศก่อตั้งโรงเรียนขึ้นมานี่โรงเรียนพระพุทธศาสานาเนี่ยเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนแปด เมื่อสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบวกสี่สิบห้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเปิดโรงเรียนอยู่ถึงสี่สิบห้าปีก่อนจะตายใช่ไหมท่งประกาศศาสนาตั้งแต่อายุ 35, สามสิบห้าพรรษาแล้วก็ตายอายุแปดสิบก็อยู่อีกสี่สิบห้าปีแล้วพุทธศาสนานี้เราพุทธศักลาด น, นี้เรานับจากวันตายของพระพุทธเจ้า 2,561 ปีนี้เป็นปีที่พระพุทธเจ้าจากพวกเราไปจากไป 2,561 ปีบวกอีก45ปีเป็นเวลาที่พระพุทธศาสนาก่อตั้งขึ้นมาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้แต่เดี๋ยวนี้กายจากสถาบันการศึกษา ไปเป็นสถาบันเข้าเจ้าเข้าส่งหรือสถาบันขอขอหวยขอเลขขอเบอร์ขอเงินขอทองเป็นสถาบันขอกันซะไม่ใช่เป็นสถาบันการศึกษาผู้เข้าวัดไม่ได้มาศึกษามาขอกันใส่บาทรทำบุญหยอดตู้เอาเงินหยอดเหรียญแล้วก็ขอกันอธิษฐานกั น, ขอ น, นขอนู่นขอนี่ มันก่อนมีคนถามมาติดบ้านขายบ้านแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ขายได้ถามว่าทำอย่างนี้ผิดไหมไม่ผิดมันทมก็เท่านั้นจะขายได้ไม่ได้มันอยู่ที่การไม่ได้อยู่ที่การอธิษฐานขอให้ขายได้มันอยู่ที่ว่ามีคนซื้อหรือเปล่าถ้าเราตั้งราคาแพงก็ไม่มีใครซื้อ ถ้าตั้งราคาถูกเดี๋ยวก็แย่งกันซื้องั้นถ้าอยากจะขายก็ขายถูกๆด้วยนี้อยากจะขายแต่อยากจะได้ราคาแพงๆมันก็ขายไม่ได้เลยไม่ยอมรับเหตุผลใช่ไหมอยากจะขายแต่ขายราคาแพงไม่มีคนซื้อถ้าอยากจะขายก็ต้องขายราคาที่คนเขาซื้อได้ เ, เขาก็จะซื้อกันเขาจะแย่งกันซื้อเลยเห็นไหมที่ไหนมีลดราคา ลดราคาแจกถามโนโ้ตคนนี่เข้าไปล้นร้านเลยแย่งกันซื้อเหยียบกันตายเห็นมไหมพอไปที่ร้านไหนที่ขายของแพงๆดูสิไม่ค่อยมีคนเข้าหรอกนานๆจะมีคนเข้าสักคนนึงคนต้องมีเงินกระเป๋าหนัหนกๆถึงจะเข้าร้านหรูๆหลาๆได้มาร้านพวกนี้เขาไม่ยอมลดราคาเขาขายราคาของแพงฉี่เลยแพงหูฉี่เลย นี่ก็คือเรื่องของความเข้าใจผิดของชาวพุทธเราทุกวันนี้เราไม่ได้มองพุทธศาสนาว่าเป็นสถาบันการศึกษาไม่ได้มองว่าเราเป็นนักศึกษานักเรียนที่เราจะต้องเข้าห้องเรียนกัน<ม>แล้วโรงเรียนนี้ก็ไม่ได้ให้เรียนทุกวันเนี่ยให้อาทิตให้เรียนแค่อาทิละวันเท่านั้นเองนให้เข้าวัดอาทิตย์ละวันเออแต่อาทิละวันนี้ก็ยังไม่เข้ากันเลย สมัยก่อนนี่ยังดีกว่าสมัยนี้สมัยก่อนเราหยุดทำงานในวันพระวันที่พระพุทธเจ้าให้เข้าวัดกันก็คือวันพระสมัยก่อนเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางต่างประเทศเราไม่ได้ทำการค้ากับต่างประเทศเราก็หยุดวันพระได้ที่วันพระของเรามันไม่ได้ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เสมอหรือวันจันทร์เสมอมันเลื่อนไปเรื่อย พราะมันใช้ปฏิทินของทางจันทลักษณติทางการโคจรของดวงจันทร์เจ็ดวันแปดวันสิบห้าวันพระจันทร์เต็มดวงสิบห้าวันพระจันทร์ดับสิบห้าวันสิบสี่วันบ้างวันพระก็เลยเคลื่อนไปเช่นอาทิตย์นี้วันพระก็มาตรงกับวันจันทร์อาทิตย์ที่แล้วนี้ก็ไปตรงกับวันอาทิตย์เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ไปตรงกับวันอาทิตย์อีก มันไม่แน่นอนมันก็เลยทําให้สมัยนี้คนเข้าวัดน้อยลงเพราะว่าวันพระไม่ได้ตรงกับวันหยุดทํางานเสียแล้วเนื่องจากว่าสมัยนี้เราต้องติดต่อการค้ากับต่างประเทศแล้วต่างประเทศเขานับถือาศาสนาอื่นาศาสนาเขาให้หยุดทํางานในวันเสาร์วันอาทิตย์กันเราก็เลยต้องหยุดตามเขา หยุดทางานวันเสาร์วันอาทิตย์เขาได้กำไรต่างประเทศศาสนาเขาเขาก็ยังเข้าวัดได้อยู่เขายังไปโบสถได้วันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าเขาเคร่งเขาก็เข้าโบสถกันไปศึกษาคำสอนของศาสนาของเขาแต่พวกเรานี่สวยไปตามเขาไปหยุดตามเขาแต่ว่าแต่วันพระของเราไม่ได้เป็นวันตรงกับวันหยุดของเรา เราก็เลยไม่ได้เข้าวัดกันเราก็เลยหนีโรงเรียนกันพูดง่ายๆไม่เข้าห้องเรียนกันนานจะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์สักครั้งเดือนสองเดือนก็จะเจอวันพระตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เน้นแทนที่จะเข้าทุกอาทิตย์ก็เลยเข้าสองเดือนเข้าวัดกันสักครั้งหนึ่งมันก็เลยเรียนน้อยแล้วบางทีเข้าวัดก็ไม่ได้มาเรียนเสียได้ซ้ำไป ไม่สนใจที่จะศึกษาฟังเทศฟังธรรมมาใส่บาตรมาใส่บาตรเสร็จก็ถวายข้าวของเสร็จก็กลับละนี่ก็เป็นปัญหาของชาวพุทธเราชาวพุทธเหล่านี้มีของวิเศษเลิศโลกมีความรู้เลิศโลกที่ไม่มีความรู้ใดในโลกนี้ที่จะสู้ได้ที่จะสามารถทำ สิ่งที่ความรู้ของทาพุทธศาสนาทำให้กับเราได้แต่เรากลับโยนทิ้งไปอย่างไม่แยแสเรากลับไปเห็นคุณค่าของสิ่งอื่นๆที่มันเป็นของชั่วคราวเป็นของปลอมกันถ้าเป็นเพชรก็เป็นเพชรปลอมกันไม่ใ ช, เช่เป็นเพชรแท้เพชรจริง พอเพชรแท้นี่มันหายากเพชรปลอมนี่มันหาง่ายเพชรปลอมที่พวกเราหากันอยู่คืออะไรก็คือความสุขทางตาหูจมูกลินกายความสุขจากลาบยศสรรเสริญอันนี้เป็นเพชรปลอมหาง่ายพอมีเงินพอมีความรู้มีงานทำก็สามารถหาเงินหาทองได้พอมีเงินมีทอง ก็สามารถหาหาตำแหน่งได้ซื้อตำแหน่งได้ไปลงเลือกตั้งมีเงินก็ไปสมัครเป็นสอสอสมัครเป็นอะไรก็ต้องมีเงินต้องมีเงินหาเสียงพอมีเงินหาเสียงหาเสียงได้ก็ได้เป็นสอสอพอเป็นสอสอก็ได้ไปเป็นรัฐมนตรีพอไปเป็นรัฐมนตรีก็มีโอกาสหาเงินได้มากขึ้นอีก ก็หาเงินอีกเพื่อที่จะได้เอาม า, าหาเสียงต่อไปเวลาต้องหาเสียงใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการหาหาเพชรพรอมกันหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้มันง่ายกว่าการหาเพชรแท้หาความสุขที่ถาวรที่แท้จริงก็คื อ, ค, อความสุขที่เกิดจากการศึกษาความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม น, นี้เป็นของยากเพราะเหมือนกับการไปโรงเรียนการไปโรงเรียนกับการไปเที่ยวนี่อันไหนยากง่ายกว่ากันเอไปเที่ยวนี่มันง่ายกว่าเอยังหนีโรงเรียนกันเลื่อยใช่ไหมไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวบางมันก็ไม่ไปไปโผล่ที่ศูนย์การค้าบ้างไปโผล่ที่โรงภาพยนตร์บ้างอไปโผล่ที่ตามร้านอาหารบ้างร้านกาฟแฟบ้างอเพราะมันมันง่ายกว่า การศึกษาการเข้าเรียนอันนี้ก็เหมือนกั น, น, นการหาความสุขทางโลกทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นลดผลพทธะนี้มันง่ายมันง่ายกว่าการหาความสุขจากการศึกษาจากการปฏิบัติธรรมจึงไม่ค่อยมีคนสนใจที่อยากจะหาความสุขจากการศึกษาจากการปฏิบัติธรรม ก็เลยไปหาความสุขปลอมกันไปหาเพชปรปลอมกันความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาต่อไปอเพราะว่าสิ่งต่างๆที่หาได้มาเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันจากกันไปพอเวลาพัดพาคจากกันก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเวลาจเจริญราบก็มีความสุขได้เงินได้ทองมาดีอกดีใจ พอใช้เงินทองหมดทีนี้ก็เสีย อ, อกเสียใจพอเงินทองขาดมือเคยมีเงินใช้พอไม่มีเงินใช้ขึ้นมาก็ทุกข์พอมีตําแหน่งมีอะไรก็ดีใจพอถูกเขาโยกย้ายถูกเขาปลดออกจับตัแหน่งก็เสียใจเวลาได้รับการสรรเสริญยกย่องเยินยอ ก, ก็ดีอกดีใจะ พอเวลาได้รับการตำหนิติตเตียนการหานินทาก็เสีย อ, อกเสียใจนี่คือความสุขที่เราจะต้องเจอกันคือความทุกข์มีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์ได้เพราะว่ามันต้องมีการได้มาแล้วก็ต้องมีการเสียไปเราจึงเรียกว่าเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ ต่อไปนี่แหละคือความทุกข์ของพวกเราที่พวกเราเกิดมาแล้วมาทุกข์กันก็เพราะว่าเรามาหาของปลอมกันมาหาความสุขปลอมความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์ไว้ความสุขที่มีความทุกข์เป็นเงาตามตัวไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องล่องห่มล้องห้จะต้องเศร้าโศกเสียใจ ไม่ Might, ถ้าไม่ทุกข์กับอะไรมันก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายของเรานี่แหละมีร่างกายแล้วมันก็ต้องทุกข์ทุกคนเดี๋ยวมันก็ต้องแก่มันก็แก่ลงไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นโรคนั้นก็ต้องเป็นโรคนี้ไม่เป็นโรคตับก็ต้องเป็นโรคไตไม่เป็นโรคไตก็เป็นโรคกระเพาะไม่เป็นโรคกระเพาะก็เป็นโรคปอด ไม่เป็นโรคปอดก็เป็นโรคหัวใจมันมีโรคต่างๆให้เป็นอยู่ทุน่นกันทุกคนไม่ช้าก็เร็วนี่คือการหาความสุขของพวกเราหาความสุขที่กลายเป็นความทุกข์ทำไมเราต้องมีร่างกายกันก็เพราะว่าถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถมาหาความสุขต่างๆที่เราอยากได้ ถ้าไม่มีร่างกายจะไปดูก็ไม่มีไม่มีตาดูจะฟังก็ไม่มีหูฟังอจะเสพจะลิ้มรสก็ไม่มีไม่มีลิ้นให้ลิ้มอจะดมกลิ่นก็ไม่มีจมูกให้ดมเอราเลยต้องมีร่างกายกันแต่ร่างกายมันก็เป็นของที่ไม่ถาวรไม่จีรังไม่อยู่ไปตลอดได้มันแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีปัญหาตามมา เกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายานี่แหละคือการหาความสุขของเราเป็นการหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวเพราะเราไม่คิดกันเราไม่มองกันเรามองแต่ความสุขที่เราจะได้รับาจากการที่มีร่างกายอาพอมีร่างกายเราก็จะได้ไปทำอะไรต่างๆที่เราอยากทำ ตอนเด็กๆนี่นะเราอยากจะโตเร็วๆฮะเพราะตอนเป็นเด็กๆนี่ทำอะไรไม่ค่อยได้จึงอยากโตเห็นไหมเห็นคนเห็นผู้ใหญ่เขาโตเขาทำอะไรกันได้เราก็อยากจะโตเร็วๆ เ, เพราะเรามีความอยากที่จะใช้ร่างกายนี้พาเราไปหาความสุขต่างๆอันนี้แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันมามีร่างกายกันเพราะเราอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ หาความสุขให้กับเราแต่เราไม่รู้ว่าร่างกายของเรานี้มันไม่อยู่กับเราไปตลอดมันไม่ถาวรมันเราไม่สามารถใช้มันได้ตลอดเวลาไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งมันก็จะไม่สามารถใช้มันได้เพอะเราไม่สามารถใช้ร่างกายได้เราก็จะทุกข์ เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนีย่จะไปเที่ยวก็ไม่ได้จะไปทำอะไรก็ไม่ได้ต้องนอนอยู่ในเตียงใจก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจนี่เป็นเพราะว่าเราไม่รู้ถึงปัญหาของการหาความสุขของเราว่าการหาความสุขของเรานี้เป็นไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขที่ถูกต้อง เป็นการหาความสุขที่จะต้องเจอความทุกข์เสมอไปเราจึงต้องมาหาคนที่รู้จักวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องเจอความทุกข์กันผู้ที่หาความสุขแบบที่ไม่ต้องเจอความทุกข์ก็คือพระพุทธเจ้านี้เองพระพุทธเจ้าและพระสงสาวกพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้า ที่ได้ค้นพบวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเราสามารถมีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ตาหูจมูกนิ้นกายเช่นความสุขที่เราได้ในขณะที่เรานั่งสมาธินี่การนั่งสมาธินี่เราไม่ได้ใช้ร่างกายเราปล่อยให้ร่างกายนั่งอยู่เฉยๆหลับหูหลับตา แล้วก็ใช้สติกํากับควบคุมความคิดของเราหยุดความคิดของเราถ้าเราสามารถใช้สติกํากับความคิดหยุดความคิดได้ใจเราจะสงบจะนิ่งแล้วจะมีความสุขปรากฏขึ้นมาถ้าเราหาความสุขแบบนี้ได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขพอเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่เดือดร้อน ร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายจะตายหรือไม่ตายก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขแล้วนั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้จากพระพุทธศาสนาจากพระพุทธเจ้ามาเรียนรู้วิธีหาความสุขแบบใหม่ หาความสุขแบบที่ไม um ่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้เงินทองหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ตําแหน่งไม่ต้องใช้ยศตําแหน่งอะไรต่างๆหาความสุขแบบไม่ต้องใช้คำสรรเสริญเยินยอหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้รูปเสียงเกล็ดนสหาความสุขที่ใช้ธรรมะคือสติและปัญญาถ้าเรามีสติและมีปัญญา เราจะสามารถควบคุมใจของเราให้สงบให้นิ่งให้เฉยได้ตลอดเวลาให้มีความสุขอยู่เฉยๆได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรโดยที่ไม่ต้องทําอะไรไม่ดูไม่ต้องดูไม่ต้องฟังอะไรไม่ต้องกินอะไรไม่ต้องดื่มอะไรนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องมาศึกษาศึกษาแล้วเราก็ต้องเอาไปทําการบ้านก็คือเอาไป ปฏิบัติการปฏิบัติก็มีสองขั้นขั้นแรกก็เรียกว่าเป็นการทําการบ้านขั้นที่สองก็คือทํทข้อสอบต้องทําการบ้านก่อนถ้าเราทําการบ้านไม่ได้เวลาจะไปทําข้อสอบจะทําไม่ได้ต้องหัดทําการบ้านก่อนพอเราทําการบ้านได้ต่อไปเราก็จะทําข้อสอบได้ข้อสอบของเราก็คือ ให้ใจเราเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองเจออะไรเห็นอะไรก็ให้เฉยอย่าไปโลภอย่าไปอยากได้อย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปกลัวอย่าไปหลงถ้าเราเจออะไรแล้วเราไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเราก็ถือว่าเราสอบผ่านน <Yeah. S 1> ถ้าเราเห็นอะไรสัมผัสกับอะไรเจออะไรยังไปรักไปชังไปกลัวไปหลงอยู่ก็แสดงว่าเราสอบตก พราะความลักความชังความกลัควความหลงมันจะทำให้เราทุกข์นั่นเองถ้าเราเห็นอะไรแล้วเราไม่ทุกข์นี่แสดงว่าเราสอบผ่านถ้าเราได้ยินอะไรแล้วเราไม่ทุกข์นี่แสดงว่าเราสอบผ่านถ้าใครด่าเราแล้วเราไม่ทุกข์นี่แสดงว่าเราสอบผ่านถ้าใครเขาชมเราแล้วเราดีใจนี่เราสอบตกเขาชมเราหรือด่าเรามันต้องเท่ากันคือเฉยเหมือนกัน ด่าก็เฉยชมก็เฉยถ้าชมแล้วดีใจเดี๋ยวด่าก็ต้องเสียใจเพราะใจไม่อยู่ตรงกลางใจมันแกว่งไปแกว่งมาถ้ามันแกว่งไปทางดีใจเดี๋ยวพอมนเจอคำด่ามันก็จะแกว่งไปหาความเสียใจทันทีแต่ถ้ามันตั้งอยู่ตรงกลางอยู่ตรงไม่ดีใจไม่เสียใจ เวลาได้ยินคาชมก็ไม่ดีใจเวลาได้ยินคำด่าก็จะไม่เสียใจนี่แหละคือเรื่องของโรงเรียนพระพุทธศาสนาที่เราจะต้องเข้ามาเรียนกันขั้นต้นต้องเรียนรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเมื่อทำแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วต่อไปเราก็จะได้ ได้รับปริญญาอได้หลุดพ้นจากความทุกข์จากสิ่งต่างๆที่เรากำลังทุกขอยู่กันในขณะนี้เราต้องมาเรียนพระพุทธเจ้าก็สอนเป็นขั้นๆ ข, ขั้นง่ายไปสู่ขั้นยากเป้าหมายของการสอนการกระทาก็เพื่อให้เราปล่อยวางให้เราหยุดใช้ความอยากกัน เพราะการมีความอยากมันจะทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราวุ่นวายให้เราใช้ปัญญาสอนใจว่าเราอย่าไปอาศัยอะไรทำตามความอยากเพราะว่าสิ่งที่เราอาศัยนั้นมันไม่แน่นอนบางทีมันก็อยู่บางทีมันก็ไม่อยู่เวลาไม่อยู่จะใช้มันอาศัยมัน ทำตามความอยากก็จะทำไม่ได้พอทำไม่ได้มันก็จะทุกข์ท่าถึงสอนให้เราอย่าไปพึ่งขั้นแรกก็อย่าไปพึ่งเงินทองมากจนเกินไปอย่าไปพึ่งเงินทองใช้เงินทองตามความอยากต่างๆเงินทองนี่ใช้ตามความจาเป็นได้ไม่เป็นไรไม่ไม่เกิดโทษความจาเป็นคืออะไรก็คือปัจจัยสี่ของร่างกาย เราต้องมีปัจจัยสี่การจะมีปัจจัยสี่ในสมัยนี้ก็ต้องมีเงินทองไปแลกเปลี่ยนมีเงินก็จะได้ไปซื้ออาหารมารับประทานได้ซื้อเสื้อผ้ามาใส่ได้ซื้อบ้านมาอยู่ได้ซื้ อ, อยารักษาโรคมารักษาได้อันนี้ใช้เงินแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการใช้แบบความอยากใช้ด้วยความจาเป็นเพราะถ้าไม่จาเป็นก็ไม่ใช่ ถ้ามีอาหารพอเพียงก็ไม่ต้องซื้อถ้ามีเสื้อผ้าพอเพียงก็ไม่ต้องซื้อใหม่ถ้ามีที่อยู่พอเพียงก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่อันนี้ใช้ตามความจำเป็นไม่ได้ใช้ตามความอยากใช้ได้เรายังต้องมีเงินทองกันอยู่ในการดำรงชีพแต่นอกจากการมีเงินทองใช้กับการดำรงชีพแล้วเรามักจะเอาเงินไปใช้กับความอยากด้วย อันนี้แหละเป็นตัวที่เราจะต้องหยุดมันอย่าไปชําอย่าไปใช้เพราะการใช้เงินตามความอยากนี้มันจะเป็นทำให้เราต้องทุกข์กับมันต่อไปเพราะอะไรเพราะถ้าเราใช้เงินตามความอยากมันจะใช้ไม่แบบไม่รู้จักพอนั่นเองพออยากได้สิ่งใดก็ซื้อพอซื้อเดี๋ยวเห็นสิ่งใหม่ก็อยากจะซื้ออีกก็จะซื้อเรื่อยๆพอซื้อบ่อยๆซื้อมาก ๆ, ๆเดี๋ยวเงินก็หมดน่นสิ พอหมดแล้วทีนี้ก็เดือดร้อนแลสิเงินที่จะไปซื้อของจาเป็นก็ไม่มีซื้อแล้วไม่มีข้าวกินนะเออันนี้จึงอย่าไปใช้เงินตามความอยากทุกครั้งที่อยากจะเอาเงินไปซื้อตามความอยากเออเาไปทําบุญพระเจ้าบอกว่าให้เอาไปทําบุญแทนเอเพราะการทําบุญจะทําให้เราหยุดความอยากต่างๆได้อยากไปเที่ยวเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทําบุญ อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นจะต้องซื้อเอาเงินไปซื้อเอาไปเงินไปทำบุญทำที่ไหนก็ได้ไม่ต้องทำที่วัดทำกับพ่อกับแม่ก็ได้ทำกับคนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนคนที่เขายากจนคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือทำแบบนั้นทำกับคนที่ขาดปัดจจัยสี่ใครไม่มีข้าวกา็ซื้อข้าวให้เขากินใครไม่มียาก็ซื้ อ, อยาให้เขากิน ไม่มีเสื้อผ้าก็ซื้อเสื้อผ้าให้เขาไม่มีที่อยู่อาศัยก็หาที่อยู่อาศัยเขาเช่าบ้านให้เขาอยู่ไปทําอย่างนี้แล้วจะมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการเอาไปซื้อของตามความอยากต่างๆเพราะความสุขที่ได้จากการทําตามความอยากมันเป็นความสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวเดีย ว, ยวแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้เราหิวเราอยากเพิ่มมากขึ้นไป แต่การทำเอาเงินไปทาตามทำบุญนี่มันกลับทำให้ใจอิ่มทำให้ใจพอทำให้ใจไม่รู้สึกหิวไม่เดือดร้อนไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราตัดมันนั่นเองด้วยการไม่ทําตามความอยากอยากไปเที่ยวก็ไม่ไปเที่ยวไปทำบุญแทนอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็ไม่ไปซื้อไปทาบุญแทนทาอย่างนี้แล้ว ต่อไปเราจะไม่เป็นมีปัญหากับเรื่องเงินเรื่องทองเราจะมีเงินทองเหลือใช้เพราะว่าเราจะใช้กับสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นส่วนของที่เราจะซื้อตามความอยากเราก็ไม่ซื้อเมื่อไม่ซื้อเงินที่เราหามาได้ก็จะมีเหลือเฟือทําให้เราไม่ต้องทุกข์กับปัญหาเรื่องเรื่องเงินทองแต่ถ้าเราใช้เงินตามความอยากแล้วรับรองได้ว่าจะต้องมีปัญหาตามมา เาต่อให้เรามีเงินมากน้อยเพียงไรก็ตามมันจะมีของที่เราอยากจะซื้อมากกว่าเงินทองที่เราจะมีอยู่นั่นเองเราเคยเห็นเราเคยพอไหมเรามีเงินเท่าไหร่ในระดับต่างๆสมัยเด็กๆเรามีวันละร้อยเราก็ดีใจละเราก็ใช้แต่ก็ไม่พอก็ใช้หมดเองละพอมีวันวันละพันก็ใช้หมดเองละมีวันละหมื่นก็ใช้หมดเอกละ ว่ามันมีของให้เราอยากใช้อยู่เรื่อยๆอยากซื้ออยู่เรื่อยๆนั่นเนองนเราต้องมาควบคุมความอยากเหล่านี้อย่าไปทํามันอย่าไปใช้มันเพราะมันจะกดดันมันจะสร้างความทุกข์ให้กับเรากดดันให้เราต้องไปดิ้นหนนหาเงินหาทองทุกวันที่เราพวกเราต้องไปเด็ดเหนื่อยกับการทํางานทำการันเครียดกับงานกับการก็เพราะว่าเราต้องหาเงินมาเพื่อเอามาใช้กับความอยากต่างๆนี่เอง ถ้าเราเอาเงินมาใช้กับความจำเป็นนี้มันจะไม่มากอาหารวันละสักกี่ตังค์เสื้อผ้านี้ก็เต็มตู้อยู่แล้วบ้านก็มีอยู่แล้วอยารักษาโรค ก, ก็อ น, อนานๆจะเจ็บไข้ได้ป่วยสักครั้งหนึง่งแทบจะไม่ต้องใช้เงินมากเลยถ้าเราใช้เงินกับแค่ปัจจัยสี่ถ้าเราหยุดความอยากใช้เงินกับของฟุ่มเฟือยหยุดใช้เงินกับความอยากต่างๆได้เราจะไม่ต้อง ดิ้นรนหาเงินมากแทนที่เราจะต้องทำงานมากเราอาจจะทำน้อยก็ได้แทนที่จะต้องทำห้าวันเราอาจจะทำแค่อาทิตย์ละวันสองวันก็ได้ เ, เปลี่ยนงานได้ทำงานแบบเราเลือกเวลาได้ขายของเองเป็นเซลขายเครื่องสำอางขายประกันวันไหนอยากจะขายก็ขายวันไหนไม่อยากจะขายก็ไม่ต้องขาย เราจะได้มีเวลาเข้าโรงเรียนบ่อยขึ้นเข้าห้องเรียนบ่อยขึ้นเราจะได้มาเรียนมาศึกษาธรรมะมาทำการบ้านมาปามาสอบกันอันนี้แหละเป็นคําสอนของพระเจ้าเป็นอุบายให้เรามีเวลามาเข้าโรงเรียนกันมาเข้าห้องเรียนกันเพราะว่าถ้าเราต้องมัวแต่หาเงินหาทองมัวแต่ใช้เงินใช้ทองเราจะไม่มีเวลาเข้าโรงเรียนกันไม่มีเวลามาวัดกัน พอต้องดิ้นลนหาเงินพอหาเงินได้ก็ต้องหาที่เที่ยวหาที่ใช้กัน อ, อก็เลยวุ่นวายไปทั้งเจ็ดวันกับการหาเงินกับการใช้เงินวันที่จะเข้ า, าห้องเรียนเลยไม่ได้เข้าห้องเรียนกันก็เลยไม่เรียนไม่จบปริญญากันทีนทีเพราะพุทธศาสนามีปริญญาดีๆให้กับไม่สนใจไม่ไม่เอากันเ อ, อปริญญาของาศาสนาพุทธนี่เป็นปริญญาที่ จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันแต่เรากลับไม่สนใจกลับไม่เข้าโรงเรียนไม่เข้าห้องเรียนกันกลับออกไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียนนอกห้องเรียนไปหาเงินหาทองพอได้เงินได้ทองมาก็เอาไปเอาไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปดื่มกันแล้วก็หมดความสุขที่ได้จากการกินการดื่มนี่หายไปไหนหมด มันก็เชื่อแป๊บเดียวเชื่อเหมือนควันไฟเวลาไปเที่ยวก็สนุกสนานมีความสุขกันพอกลับมาบ้านความสุขเหล่านั้นก็หายไปหมดเหลือแต่ความอยากเที่ยวต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องเที่ยวต่ออีกถ้าเที่ยวบ่อยๆเดี๋ยวเงินก็หมดเงินหมดก็จะเดือดร้อนไม่ได้เที่ยวเทีนี้อยู่บ้านก็หงดหงิดเศร้าซ้อยหงอยเหงาว้าเวซึมเศร้าขึ้นมา น, นี่พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามาใช้เงินแบบถู ก, ถกวิธีคือหาเงินเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นเป้าหมายแรกหาเงินมาเพื่อซื้อปัจจัยสี่ซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งหม่มซื้อที่อยู่อาศัยซื้อยารักษาโรคแล้วถ้ามีพอแล้วถ้าเราอยากจะมีความสุขเอาเอาด้วยการใช้เงินก็ให้ใช้เงินด้วยการทาบุญ เพราะการทาบุญน <necessary. S 2> <Porque, S 1> be ี้จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการใช้เงินตามความอยากความสุขที่ได้จากการใช้เงินตามความอยากเป็นความสุขที่ทำให้หิวทำให้ไม่พอทำให้อยากอยู่เรื่อยๆแต่ความสุขที่เกิดจากการทาบุญนี้จะทำให้ใจอิ่มจะทำให้ใจไม่หิวไม่อยากเอนต่างกันตรงนี้นะเป็นความสุขที่มีความหนักแน่นกว่า มีความรู้สึกที่สุขกว่านานกว่าทำบุญไปแล้วหลายวันหลายเดือนกลับไปคิดถึงบุญที่เราทำยั ง, งยังรู้สึกมีความสุขจากการที่เราทําบุญนั้นอยู่แต่ถ้าไปคิดถึงความสุขที่เราได้รับจากการไปเที่ยวคิดทีไรก็เศร้าทุกทีเพราะไม่ได้ไปเที่ยวอยากไปเที่ยวกับเป็นโทษแก่จิตใจเราจึงต้องรู้จักวิธีใช้เงินให้ถูก วิธีใช้เงินให้ถูกถ้าเราต้องการซื้อความสุขด้วยเงินทองให้ซื้อด้วยการทำบุญเอาเงินไปทำบุญไปช่วยเหลือใครก็ได้ช่วยคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราจะเห็นความแตกต่างจากการช่วยเหลือของเราเขาอดข้าวอย่างนี้พอเราไปซื้อข้าวให้เากินเขาได้กินข้าวเนี่ยเราจะเห็นหน้าตาเขายิ้มายา้มแจ่มใสขึ้นมาทันที ตอนที่เขาอดนี้หน้าตาเขาซึมเร้าไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงพอเราให้ข้าวเขากินนี่เขาอิ่มแล้วดูเขารู้สึกเบิกบานมีความสุขเนี่ยการให้ความสุขกับผู้อื่นก็ทำให้เกิดความสุขกับมาหาเราที่ใจนั้นการทำบุญที่จะให้ได้ผลจริงๆเราต้องเลือกทำทำบุญที่เราเห็นผลทันตาถ้าเราไปทำบุญแบบที่เราไม่เห็นผลบางทีมันก็ไม่ประทับใจ เช่นบางทีเราหยอดเงินใส่ไปในตู้บร really ิจาคนี่เราไม่รู้ว่ามันไปทำอะไรบ้างยังไม่เห็นผลเราจะไม่รู้สึกมีความปลื้มปิติเหมือนกับการที่เราเอาเงินไปช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนเช่นบ้านเขาหลังคาพังอย่างเงี้ยฝนตกแล้วหลังคารั่วมีน้ำท่วมในบ้านนี้ถ้าเราไปซ่อมหลังคาให้เขาได้ทำให้บ้านเขาปลอดภัยจากน้ำ เห็นแล้วเราก็มีความสุขใจขึ้นมาทันทีนนี่คือวิธีทําบุญที่จะทําให้เราเกิดศรัทธาเกิดความอยากจะทํำเราต้องทํำเราเห็นผลจากการกระทําของเราว่ามันทําให้ผู้อื่นเขามีความสุขช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลําบากเดือดร้อนของเขาได้อันนี้แหละเป็นการกระทําที่จะทําให้เราจะจะชอบทําบุญไปเรื่อยๆ ถ้าเราไปทําบุญกับเศรษฐีนี่เราจะไม่รู้สึกค่อยมีความประทับใจเท่าไหร่เอาเงินไปให้เศรษฐีเศรษฐีก็เขาก็เอาเข้าบัญชีไปเก็บไว้เฉยๆเขาไม่เดือดร้อนเราให้เขาหรือไม่ให้เขาเขาก็ไม่เดือดร้อนเฉะนั้นการทําบุญที่แท้จริงที่จะทําให้เราเกิดความประทับใจนี้เราต้องทํากับคนที่เขาทุกข์ยากลําบากเดือดร้อนเราจะเห็นผลของการช่วยเหลือของเราทันทีว่าทําให้มีความแตกต่างระหว่าง ระหว่างการที่เขาได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเราแล้วมันจะทำให้เรามีความสุขและอยากจะทำบุญมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราใช้เงินแบบที่ได้ประโยชน์กับจิตใจเราจริงๆและอีกอย่างหนึ่งก็จะช่วยให้เรานี้ไม่ต้องหาเงินมากต่อไปเพราะว่าเราไม่ต้องใช้เงินมาก เงินที่เราใช้กับปัจจัยสีนี้มันไม่มากเท่ากับเงินที่เราใช้ตามความอยากเมื่อเราไม่ใช้เงินตามความอยากเราก็ไม่ต้องหาเงินมากไม่ต้องทำงานมากเมื่อไม่ต้องทำงานมากก็จะมีเวลาว่างมากขึ้นก็จะมีเวลาเข้าห้องเรียนได้มากขึ้นมาวัดได้บ่อยขึ้นมาศึกษามาปฏิบัติมาทำการบ้านมาทาข้อสอบได้มากขึ้น ต่อไปเราก็จะสามารถรับปริญญาได้นี่คือเรื่องของการศึกษาแต่ละขั้นของพระพุทธศาสนาขั้นแรกนี้ท่านต้องการให้เราหาเวลาเข้าวัดให้ได้เข้าห้องเรียนให้ได้ให้เราหยุดกิจกรรมนอกห้องเรียนกันให้ทำเท่าที่จำเป็นจริงๆทำเพื่อหาปัจจัยสี่ก็พอ แล้วเราจะมีเวลามากที่เราจะได้เข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนเข้ามาปฏิบัติมาทำการบ้านมาทำข้อสอบพอเราปฏิบัติทาข้อสอบได้ใจเราจะมีความสุขมากขึ้นแล้วความต้องการจะน้อยลงไปต่อไปเราก็อยู่ลงเรียนได้ทุกวันมาลงเรียนได้ทุกวันมาบวชมาอยู่วัดได้เลย เพราะเราไม่ต้องการมีอะไรแล้วความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติธรรมนี่เองเพราะถ้าเราศึกษาปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมได้แล้วใจเราจะมีความสุขมากความอยากต่างๆมันจะถูกกําจัดไปหมดเราไม่ต้องมีไม่ต้องไปมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นลดมาให้ความสุขกับเราอีกต่อไปเราก็จะอยู่อย่างมีความสุข แล้วเราก็จะได้ทําหน้าที่ช่วยผู้อื่นต่อไปเอช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยญาติพี่น้องเพราะเขาจะต้องมาหาเราเขาจะต้องมาถามเราว่าทำอย่างไรถึงมีความสุขเนพราะเขาเ ห, เห็นเราเป็นตัวอย่างเห็นเราอยู่เฉยๆต้องมีความสุขได้เขาก็อยากจะเป็นเหมือนเราะพระพุทธเจ้าก็สอนพ่อสอนแม่สอนพี่สอนน้องเอถ้าพระพุทธเจ้าไม่ออกจา ก, กวางังไม่สาราราชสมบัติไม่ออกบวช พระพุทธเจ้าก็จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถช่วยเหลือพ่อแม่ได้ไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องได้เนี่ังนั้นการที่เรามาศึกษามาปฏิบัติมาบวชนี้เป็นการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโดยที่โดยที่เรายังมองไม่เห็นพเพราะเบื้องต้นเราต้องเรียนให้จบก่อนเราได้รับปริญญาก่อน พอเราได้รับปัญญาแล้วเทนี้เราก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมากมายดูพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยองค์เดียวท่านั้นเนี่ยสามารถช่วยพุทธศาสนิกชนที่มีอยู่ในโลกนี้ได้สักกี่ล้านคนเนชาวพุทธที่มีอยู่ในโลกนี้มีกี่กี่ร้อยล้านคนเนี่ยเกิดจากการสละราชสมบัติของพระพุทธเจ้าเกิดจากการทําทานของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปศึกษาไปปฏิบัติ ไปทาการบ้านไปสอบพอสอบผ่านพอได้รับปริญญาก็สามารถที่จะเอาความรู้ที่ได้สอบได้รู้นี้มาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปนอันนี้แหละคือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่อยากจะฝากให้ท่านเอาไปคิดกันให้รู้ว่าศาสนานี้เป็นโรงเรียนเป็นศาลาบันการศึกษาไม่ใช่เป็นที่มาขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นที่มาสวดขอของ ขออย่างนั้นขออย่างนี้เป็นที่ให้เรามาศึกษามาลริ่มเรียนแล้วให้เราไปทําการบ้านและไปทําข้อสอบกันเพราะเมื่อเราศึกษาแล้วเราต้องทําการบ้านแล้วทําข้อสอบพอเราทําข้อสอบแล้วเราถึงจะรู้ว่าเราสอบผ่านหรือไม่สอบผ่านถ้าเราสอบผ่านเราก็จะสําเร็จเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่หนละ คือเรื่องของการมาวัดในวันพระดังนั้นสมัยนี้เราควรจะปรับวันพระของเราให้ตรงกับวันหยุดอย่าไปใช้ปฏิทินเดิมอย่าไปดูวันพระว่าวันนี้ขึ้นกี่ข้าแลมกี่ข้าเพราะมันจะไม่ตรงกับวันหยุดทำงานของเราให้เราเอาวันหยุดทำงานของเรานี้มาเป็นวันพระแทนเป็นวันที่เราต้องเข้าเข้าโรงเรียนเข้าห้องเรียน คือวันเสาร์วันอาทิตย์ต่อไปนี้ชาวพุทธเราต้องเปลี่ยนวันพระกันถ้าเราอยากจะเข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติธรรมเข้ามารับปริญญาถ้ามลอดวันพระนี่มันเดือนสงเดือนจะมีสักครั้งหนึ่งที่จะตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ถ้าเราเอาวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันพระเราก็จะเข้าวัดได้ทุกอาทิตย์ เราก็จะได้เรียนรู้มากขึ้นเราก็ได้ทำการบ้านมากขึ้นได้ทำข้อสอบมากขึ้นนั่นเองเมื่อทำมากเดี๋ยวการจบปริญญามันก็เร็วขึ้นนะ เ, เท่านั้นเองเออพวกเราทุกคนนี้มีสิทธิ์ที่จะรับปริญญาทุกคนตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปถึงขั้นพระอรหันต์ไม่ได้จำกัดที่เพศที่วัยไม่ได้จำกัดว่าเป็นนักบวชหรือเป็นฆราวาส ทุกคนถ้าเข้าห้องเรียนทำการบ้านทำข้อสอบก็สามารถรับปริญญาได้ด้วยกันทุกคนยังขอให้ท่านจงเอาไปพินิศพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร อ, อย่า ท้าวฤๅวาหาปุราภิรุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิทีิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมมิตาโตสัพเพบุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยทามณีโชติระโสยทาสัะพิติโยวิ วาชันตุสัพพะโรโขวินัสตุมาเตภะวะตอันตรายูสุขีธีขายุกูพวะพิวาทนาสีิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวะทานติอายุวันโอสุขังภาลาง ใครมาที่หลังอยากจะเอาเข้าวของเข้ามาถวายก็ยังเข้ามาได้อยู่ใครต้องการหนังสือซีดีก็มาหยิบไปได้ของแจกฟรีใครอยากได้ก็เอาไปเรียนหนังสือก็ต้องมีหนังสืออ่านฟังอย่างเดียวไม่พอฟังปป๊บเดียวมันก็ลืมต้องเอาไปอ่านเอาเอาซีดีไปฟังซ้าต่อต้องฟังบ่อยๆวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยแปดสิบสี่หนึ่งร้อยเก้าสิบหกวิทยุออนไลน์สี่สิบสองรับฟังข้างบนเขาเจ็ดสิบสามคนครับรวมทั้งหมดหกร้อยเก้าสิบห้าครับออเกือบแต่เจ็ดร้อยนะขาดอีกห้าะวันนี้คนเยอะพวกที่มาเป็นกลุ่มนุ่งขาผมเขาวนี่ไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนกัน เดี๋ยวที่ไหนนะเนีอาเอาไม้พูดพูดใหม้บริษัทแสนิริบริษัทสนริจัดั้มหาชนเมื่อสัตแสนศิริตามสั่งหาที่กรุงเทพและที่พระพุธยาภิเกตเชียงใหม่ค่ะนี่ที่สาขาที่พัทธยาเลยใช่ค่ะอ๋อวันนี้มีกิจกรรมอะไรเลยวันนี้คืออยากพาทีมงานมาคือเนื่องจากทํางานแบบค่อนข้างจะเครียดนะคะดิวกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากแบบ ให้มาฟังทำผ่อนคลายเป็นกิจกรรมประจํำเลยว่าเป็นครั้งเป็นคราวเป็นจริงๆแล้วอยากให้ประจําแบบทุกปีอ่ะค่ะทุกปีปีละปีนึงปีใช่ค่ะแต่น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วอะค่ะค่ะอมันน่าจะเดือนละครั้งเลยไงค่ะจะได้มีอะไรอมาให้กําลังใจบ้างค่ะได้ค่ะ แตก็อย่างน้อยก็ได้มาเริ่มต้นแล้วแล้วก็ถ้าเขาไม่จัดถ้าเราเห็นคุณค่าเราก็มาเองก็ได้เพราะที่นี่มีอย่างนี้ทุกวันวบ่ายสองโมงถึงสี่โมงมันมาเสาร์อาทิตย์ก็ได้วันที่เราไม่ทํางานมาฟังเทศฟังธรรมหรือติดตาม on, ทางยูทูบเฟซบุ๊กก็ได้ค่ ะ, ะเราฟังแล้วอยากจะถามก็ส่งข้อความเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะตอบคําถามจากผู้ที่ติดตามทางบ้าน หรือที่นี่ใครอยากจะถามก็ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษมาให้พิธีกร อ, อ่านให้ก็ได้ ะ, ดะถ้าฟังเทศแล้วไม่เข้าใจอยากจะรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นก็ถ้าไม่กล้าพูดทางไมก็เขียนใส่กระดาษมาก็ได้มีอะไรจะถามไหมยังค่ะยังนะ <laughs> โอเควันนี้ฟังแล้วเข้าใจไหม เข้าใจเห็นภาพของศาสนามที่เปลี่ยนไปไหมเรารู้อยู่แล้วจริงๆก็ทราบค่ะแต่ว่าเหมือนกับบางครั้งอาจจะละเลยละเลยค่ะใช่ค่ะแต่เห็นภาพชัดมากขึ้นหราแต่ไปกังวลกับกิจกรรมนอกห้องเรียนใช่ค่ะคือนอกห้องเรียนก็ต้องทำบ้างทำพออยู่พอกิน แตอย่าทำเพื่อให้ร่ําให้รวยให้สุขใหเจริญเลยมันเป็นความสุขเจริญชั่วคราวเดี๋ยวตายไปก็เอาไปไม่ได้เอาความสุขเจริญที่แท้จริงดีกว่าเอาปริญญาทางาศาสนาดีกว่าค่ะเอาโสดาบันสติกานามีอนาคามีอรหันต์ดีกว่าเป็นญะเหล่านี้เอาไปได้ความสุขความเจริญเหล่านี้ไปกับใจของเร า, าเอาเดี๋ยวจะให้ทางพิธีกรารอ่านคำถามต่อไป เ, เดี๋ยวก่อนมีชาวต่างประเทศ you want to ask any question mm hmm. อ่ก่อนนี้เป็นชาวอินโดนีเซียนี่อุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาศึกษาอา่าเราเราอยู่แค่นี้เองยังมากันไม่ไหว mm hmm. เขาต้องขอวีซ่านี่ต้องบินกลับไปกลับมาอยู่เลยอยู่ได้สองเดือนก็ต้องบินกลับบ้านไปขอวีซ่ากลับมาใหม่กลับแล้วเหรอ อ, องลงไ ป, ไ, ปไปปฏิบัติเอาอะไรไปทำพิธีต่ อ, อ ม, <laughs> มาค้างรงแรมเหรออ่าอ่าไปอ่ปปฏิบัติกันนะศึกษากันนะอ่าไปตามสบายถ้าต้องไปก็ไม่เป็นไรไปได้อ่าหนู๋ยจากจะถามมาใหม่ใหม่ยิบใหม่พูดผ่านทางไมโครโฟนค่ะคือเรา อ, อ๋อคือเรารู้อะค่ะคือนาเวลาเนี้ย รู้สึกว่าอารมณ์ตัวเองมันไม่ค่อยนิ่งอะคะอ่ะพระอาจารย์แล้วแล้วเราเรารู้ว่าเอออย่างแรกเราต้องสวดมนต์อย่างที่สองคือเราเราพอจะรู้วิธีการคร่าวๆมาแต่มันตั้งอารมณ์ที่จะไปทำทาทาพวกนั้นไม่ได้อะคะ่ะคืออยากรู้ว่าเรามีวิธีการการที่จะตั้งอารมณ์ตัวนั้นยังไงอะคะ่ะอ๋อเราก็ใช้ใช้พุทโธช่วยก็ได้ พอเรามีอารมณ์ไม่ดีเราก็ท่องพุโทโธพุธโทโธไปเลยไม่ต้องไปตั้งท่าเข้าห้องพระไปสวดมนต์นึกไปทำเราทําได้ตลอดเวลาที่ไหนก็ได้ใช้พุโทโธเนี่ยพอเรารู้สึกมีอารมณ์ไม่สบายใจเราก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปแค่ น, นี้ยเดี๋ยวห้านาทีสิบนาทีความไม่สบายใจมันก็จะเบาไปหายไปค่ะนะ คือคือนะคือมันจะมีบางช่วงหนึ่งที่เราเรารู้สึกได้ว่าเอออารมณ์เรานิ่งอะค่ะพระอาจารย์แล้วมันจะมีอยู่บางช่วงที่รู้สึกว่าอารมณ์นิ่งมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แล้วเราพยายามจะดึงกลับมาดึงกลับมาต้องใช้พุทโธดึงอย่าไปคิดถึงอดีตมันไม่กลับมาอย่าไปคิดถึงอารมณ์ที่เราได้มีแล้วเหมือนบางสำนักก็สอนว่า อ, อให้เราคิดทําให้มีอารมณ์ดีแล้วทุกครั้งอยากจะมีอารมณ์ดีก็ไปคิดถึงอารมณ์ดีนั้นมันไม่มาหรอก มันไม่ได้มาด้วยความคิดมันมาด้วยการหยุดคิดนะต้องหยุดคิดต้องพุโทโธพุโทโธไปพุโทโธมันจะหยุดความคิดต่างๆที่มาทําลายอารมณ์ที่ดีที่เรามีอารมณ์ดีแล้วมันหายไปเพราะเรามาคิดเนื่องนั้นเรื่องนี้เข้าใจไหมค่ะพอคิดแล้มันก็เลยไปลบไอ้อารมณ์ที่ดีที่เกิดจากการไม่ได้คิดนั่นเองเห็นไหมหลจากจะกลับไปหาอารมณ์นั้นเราก็ต้องหยุดคิดจะหยุดคิดก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้ ไม่ต้องมานั่งห้องพระหน้าพระสวดสวดมันไปภายในใจเลยอยู่ตรงไหนก็สวดได้เลยใช้การสวดในใจไม่ต้องออกเสียงหรือถ้าออกเสียงก็ออกเบาๆไปภายในใจของเราคำถามจากทางไลน์นะครับคุณนางกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์เรียนถามว่าเราทำบุญด้วยตัวเองโดยไม่คิด ว่าจะหวังให้คนอื่นอุทิศบุญให้เราเราคิดว่าร่างกายตายไปทุกวินาทีคิดอย่างนี้ถูกไหมคะพระอาจารย์ก็ถูกแล้วเพราะการทำบุญควรจะทำเองจะดีกว่าเพราะเราจะได้บุญมากกว่าถ้าเรารอให้คนอุทิศนี้เป็นเหมือนเงินที่เขาให้ขอทานบุญแต่ถ้าเราทำเองนี้เป็นเหมือนเงินที่เราหามาได้หามาได้เท่าไหร่ก็เป็นของเราหมดนะ งั้นคนจะทำบุญมากๆเพราะเวลาที่เรามีบุญมากเวลาตายไปเราก็จะได้ไม่ต้องมารอรับบุญอุทิตของผู้อื่นแล้วให้คิดอยู่เรื่อยๆว่าความตายมันเข้ามาใกล้อยู่เรื่อยๆอย่าประมาทรีบทำบุญให้มากทำบุญให้มากกว่าบาปให้ได้เพราะเวลาตายนี้บาปก่าบุญจะมาแย่งดวงวิญญาณของเราถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบาปมันจะดึงดวงวิญญาณของเราดึงดวงวิญญาณของเราไปตกบาย ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะเดินใจของเราไปสวรรค์ไปสู่สุขติจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการทำความสะอาดจิตคือการเจริญสติและสมาธิและอื่นๆในมัคแปดแค่นี้ใช่หรือไม่คะหรือต้องมีอย่างอื่นอีกอย่างไรบ้างคะก็มีแค่นี้แหละมัคแปดนี่แหละทำให้มันได้เถิน คำถามจากคุณจีจี้การนั่งสมาธิโดยดูลมหายใจที่สัมผัสปลายจมูกที่จุดเดียวต่อมามีอาการเหมือนลมหายใจหายไปรู้สึกอึดอัดเลยสาวลมหายใจให้ลึกต่อไปในโอกาสต่อไปถ้าเจอแบบนี้อีกจะทำอย่างไรดีคะไม่ควรไปสาวหาอากาศอย่าไปควบคุมบังคับลม ถ้าจับลมไม่ได้ก็ให้รู้เฉยๆไปให้รอดูไปสักพักหนึ่งเดีย mm. เด๋ยวเดี๋ยวลมมันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ใจเย็นๆให้มีสติรู้เฉยๆไปก่อนคอยอย่าให้คิดก็แล้วกันอย่าไปคิดถึงเรื่องลมอย่าไปคิดว่าเมื่อไหร่มันจะมามันหายไปไหนอะไรทานองนี้ให้รู้เฉยๆอย่าคิดแล้วเดี๋ยวลมก็จะกลับมาถ้าไม่กลับมาก็ให้รู้อยู่กับความว่างไป อยู่กับอยู่กับความไม่มีลมไปคอยดูว่าเราคิดหรือเปล่าถ้าคิดก็หยุดมันหยุดมันถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องใช้ลมหรือใช้ใ ช, ใช้พุโทโธถ้าไม่มีลมถ้ายังมีความคิดอยู่ก็ใช้พุโทโธหยุดมันพุโทโธพุโทโธไปอย่าให้มันคิดคำถามจากคุณเชอร์เบลหนูช่วยเพื่อนที่เดือดร้อนเขาบอกจะคืนภายในเวลานี้ แต่ก็ไม่ได้คืนและเงียบไปเลยหนูทําใจว่าคืนตอนไหนก็ได้จะไม่ไปเร่งเขาถ้าไม่คืนก็ถือว่าทำทานแบบนี้ถูกต้องใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องแล้วนะ อ, อย่าไปหวังคืนเลยที่ว่าทำทานไปเลยดีกว่าส่วนเขาคืนมาเราก็เอาไปทําบุญต่อก็ได้หรือให้กับเขาให้คืนเขาไปก็ได้เราจะสบายใจกว่า ถ้าเรายังมีความคิดอยากจะได้คืนมันก็ยังทำให้เรามีความรู้สึกไม่สบายใจได้นะบ้างในบางเวลาในเวลาที่เราอยากจะได้คืนแต่ถ้าเราตัดใจไปเลยไม่เอาแล้วคิดว่าทำบุญไปแล้วเราจะสบายใจไปตลอดทุกครั้งเห็นหน้าเขาก็จะไม่โกรธเขาเกลียดเขาถ้าเรายังอยากได้คืนแล้วเวลาเขาไม่คืนนั่นรามีความรู้สึกไม่ค่อยดีกับเขาคาถามจากคุณ simple life การฆ่าด้วยโทสะหรือป้องกันตัวผลกรรมต่างกันหรือไม่ผู้ฆ่าสามารถปฏิบัติให้หลุดพ้นได้หรือไม่เจ้าคะออการฆ่าด้วยโทสะนี้มันจะไปนรกการฆ่าด้วยการป้องกันตัวมันจะไปเป็นเดรัจฉาน เดรัจฉานนี้เขาต้องฆ่าเพื่อเพื่อรักษาชีวิตของเขาเขากินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อให้เพื่อความอยู่รอดของเขาเขาก็จะนี่คือการฆ่าด้วยการด้วยการป้องกันตัวเองก็จะไปเป็นเดรัจฉานส่วนการฆ่าด้วยความอาฆาตพยาบาทความโกรธเกียดนี้มันจะไปนรกความทุกข์มันต่างกันความทุกข์ที่เกิดจากความ พยาบาทนี้มันร้ายกว่ามันร้อนกว่าความทุกข์ที่เกิดจากการป้องกันตัวเองคำถามจากคุณบาสมีโยมที่อยู่วัดบ่นกับพระได้ทุกวันว่าอยากกินเคเอฟซีผมเป็นพระจะตอบแบบไหนกับโยมที่บ่นอยากกินเคเอฟซีดีครับก็บไปซื้อสิโยมโยมมีเงินเนี่ยมไม่มีปัญหาตรงไหนเลย โยมไปซื้อได้ทุกทุกเวลาเลยอยากจะกินเมื่อไหร่ก็ไปกินได้แต่พระนี้บนไม่ได้พระต้องสันโดษยินดีตามมีตามเกิดคำถามจากคุณจันเพล น, นอนภาวนาแล้วเกิดจิตออกจากร่างเห็นกายตัวเองขาโดนหันสามท่อนอาการที่เป็นเช่นนี้คืออะไรเจ้าคะก็คืออย่างที่เห็นนั่นแหละมันไม่มีคืออะไรหรอก ก็รู้ว่าเห็นอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วถ้าอยากจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เห็นก็เอามาคิดอยู่เรื่อยๆว่าต่อไปร่างกายเรามันก็ต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องตายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งถ้าเราดูบ่อยๆคิดบ่อยๆนึกถึงมันบ่อยๆแล้วยอมรับกับสภาพของร่างกายที่จะต้องตายได้ต่อไปเราจะไม่กลัวตายคำถามจากคุณตุ๊ก กราบขอคาสอนวิธีนอนหลับไม่ต้องฝันบ่อยเจ้าค่ะ อ, อ๋อห้าไม่ได้ดอกเรื่องของความฝันจะฝันบ่อยไม่บ่อยนะี่อยู่ที่จิตเราคิดมากหรือคิดน้อยถ้าคิดมากก็ฝันบ่อยคิดน้อยก็ฝันน้อยฝันดีก็เพราะทำบุญฝันร้ายก็เพราะทำบาป ยังถ้าไม่อยากจะคิดก็หัดนั่งสมาธิบ่อยๆฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบหยุดคิดมันก็จะฝันน้อยคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนมัสการพระอาจารย์อยากขอวิธีทําใจกับเรื่องเสียของรักเจ้าค่ะก็ให้มองว่ามันทุกคนต้องเสียกันทุกคนะเกิดมาไม่มีใครจะไม่เสียอะไร ของทุกอย่างที่เราได้กันมาในโลกนี้ทุกคนจะต้องเสียหมดเรามาตัวเปล่าๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตัวเปล่าๆไม่ใช่เราคนเดียวทุกคนเราก็ต้องเสียคนพูดก็ต้องเสียคนฟังก็ต้องเสียไม่มีใครไม่เสียเราเหมือนกันฉั้นไม่มีใครดีกว่ากันไม่มีใครเลวกว่ากันในเรื่องของการสูญเสียพระพุทธเจ้าสอนให้เรามันพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดา ลงพ้นจากการพัดพากจากกันไปไม่ได้เรามาตัวเปล่าๆเวลาเรามาเราไม่ได้เรติดตัวมาแม้แต่ชิ้นเดียวเดี๋ยวเวลาเราไปเราก็ไม่ได้เรติดตัวไปเลยของต่างๆที่เราหาได้ในโลกนี้เราต้องทิ้งไว้ในโลกนี้หมดให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่รู้สึกเสียใจคำถามจากคุณชา น, านันกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะหากเรากาหนด พุทโธแล้วรู้สึกอึดอัดจะมีวิธีแก้ไขหรือกําหนดอย่างไรเจ้าคะก็ลองสวดมนต์ไปก่อนนะถ้าพุโทโธพุโทโธรู้สึกอึดอัดก็สวดมนต์ไปสวดบทไหนที่เราจําได้สวดไปภายในใจได้ก็ดีจะได้ไม่ต้องส่งเสียงรบกวนคนอื่นสวดไปหลายๆรอบจนกระทั่งเรารู้สึกเหนื่อยอยากจะหยุดสวดแล้วทีนี้เรามาดูลมหายใจต่อเลยก็ได้ไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้ เราอาจจะไม่ถูกเจริญกับพุโทโธก็ได้เอก็เอามาดูลมถ้าเราไม่อยากจะสวดเราก็หยุดเราก็ดูลมถ้าถ้าเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะดูลมได้ถ้ายังคิดอยู่มันจะดูดูลมมันก็จะรู้สึกอึดอัดถ้ายังอึดอัดกับการดูลมก็ต้องสวดไปเรื่อยๆก่อนสวดไปจนกว่าจิตมันจะเหนื่อยจะไม่มีกําลังที่จะคิดเนี่ยเมื่อมันไม่มีกําลังจะคิดมันก็ดูลมเฉยๆได้ คำถามจากคุณวันกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับจากคำพูดที่ว่าจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นขอพระอาจารย์อธิบายขั้นตอนได้ครับก็เหมือนกับว่าเวลาร่างกายหายเจ็บไข้ได้ป่วยเรารู้ไหมเวลาเราเป็นไข้เราหายไขย้มันมีความรู้สึกที่แตกต่างกันจันใดเวลาจิตทุกข์กับเวลาจิตไม่ทุกข์มันก็เห็นเหมือนกัน ตอนนี้เราไม่ทุกข์กับคนนี้แล้วเราไม่ทุกข์กับเงินแล้วเราไม่ทุกข์กับลาภยุทธรเสรเสยแล้วมันจะรู้อยู่ในใจเวลามันไม่ทุกข์ถ้ายังทุกข์อยู่มันก็รู้ว่ายังทุกข์อยู่ยังห่วงยังกังวลกับเรื่องเงินเรื่องทองอยู่อย่างนี้แสดงว่ายัางทุกข์อยู่แต่ถ้าไม่กังวลกับเรื่องเงินเรื่องทองแล้วมันจะอยู่ก็อยู่ไปมันจะหายก็หายไปเพราะเราไม่ต้องใช้มันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน ดังนั้นมันเป็นสันทิฏฐิโกอธิบายไม่ได้หรอกสิบปากว่าไม่เหมือนไม่เท่าหนึ่งตาเห็นพูดไปยังไงก็ไม่เหมือนกับไปเห็นด้วยตาเองก็พูดพอให้เข้าใจเปรียบเทียบให้ยกตัวอย่างให้ดูเท่านั้นให้ดูเหมือนกับตอนที่เราเป็นไข้เราหายไขย้มันจะเป็นยังไงมันก็จะเห็นได้ว่ามันแตกต่างกันเวลาจิตหลุดพ้นจากความทุกข์มันก็จะเห็นว่ามันแตกต่างกับตอนที่ไม่หลุดพ้น คำถามหมดคำับหดพอดีนะเรื่องของการปฏิบัตินี่มันสาคัญการศึกษาก็สาคัญแต่การศึกษาไม่สามารถตอบคำถามทุกอย่างได้ตอบคำถามได้ในระดับหนึ่งคือตอบคำถามวิธีปฏิบัติว่าปฏิบัติอย่างไรได้อยู่แต่ไม่สามารถตอบคำถามว่าผลของการปฏิบัติเป็นอย่างไรตอบได้ก็เป็นแบบภาพแบบรวมๆไม่ละเอียดนะครับ มันไม่เหมือนกับการที่เราไปปฏิบัติแล้วเห็นผลจากการปฏิบัติเหมือนกับเรื่องของการทดอาารกินอาหารชนิดหนึ่งที่เราไม่เคยกินมาก่อนเนี่ยคนคนที่เคยกินเข้ามาแล้วว่าเอ้ยมันอร่อยอย่างงั้นอร่อยอย่างนี้นะเราฟังแล้วมันก็มันก็ยังไม่รู้มันอร่อยอย่างงั้นอย่างนี้เป็นยังไงฮะมันจะรู้ก็ต่อเมื่อเรารับประทานอาหารนั้นน่เมื่อรับประทานอ๋อรู้แล้วมันอร่อยอย่างนี้เองมันอร่อยอย่างงั้นเองนะ ในเรื่องของการปฏิบัติก็เหมือนกันนะต้องปฏิบัติเองสันทติโกถึงจะรู้ได้อย่างชัดเจนว่ามันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้มันหลุดพ้นแล้วมันเบาอย่างนั้นเบาอย่างนีน้มันสบายอย่างนั้นลแถแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงอ่ะมันชนะอย่างนี้เองถ้ายังไม่ได้สัมผัสมันก็จะไม่รู้ <c oughs> อีกไหมนี่ครับคําถามจากคุณเอสเจทุกวัน โยมหมั่นทำทานศีลภาวนารู้สึกอุ่นใจในระดับหนึ่งว่าถ้าตายตอนนี้มีสุขติเป็นที่ไปแต่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ต้องทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้โสดาบันถึงจะมีสุขติ เป็นที่ไปหนึ่งร้ยเปอร์เซ็นถูกต้องไหมคะถูกต้องถ้าเขาเป็นพระโสดาบรนแล้วจะเข้าสู่กระแสไปสู่พระนิพพานเพียงแห่งอย่างเดียวจะไม่ไปที่อื่นจะไม่ไปทางอบายจะไม่ไปทางที่ต่งกว่าที่เป็นอยู่จะสูงขึ้นไปเรื่อยจากโสดาบรนก็จะเป็นสกิดาคามีจากสดิคาคามีก็จะเป็นอนาคามีจากอนาคามีก็จะเป็นอรหันต์ไปนิพพานในที่สุด เะนนพยายามปฏิบัติไปในี่ะสามอย่างนี่แหะทานศีลภาวนาเป็นทางสู่ไปทางสู่พรานิพานทางสู่พระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีพาาระอนาคามิเพียงแต่ว่าต้องทําให้มันเต็มร้อยเท่านั้นตอนเริ่มต้นนี้เรายัางอาจจะทําไม่ครบเต็มร้อยทานิดๆหน่อยๆ ห, หอมหอมปากหอมคอ ท, ท, ทําบุญทําทานน้อยละสิบ้อยละยี่สิบ รักษาศีลร้อยละสิบร้อยละยี่สิบภาวนาร้อยละสิบร้อยี่สิบมันก็ยังไม่เต็มร้อยต้องทำให้มันเต็มร้อยคือทำตลอดเวลาทำเต็มที่ทานก็ทำเต็มที่ทำจนทั้งไม่มีให้ทำถึงเรียกว่าทำเต็มร้อยเก็บไว้เท่าที่จำเป็นอันไหนไม่จำเป็นเอาไปทำบุญให้มันหมดไปเลยเก็บไว้เท่าที่เราต้องการใช้เท่านั้นเอง ศีลก็รักษาตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนภาวนาก็ภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับนถ้าทําอย่างนี้แล้วไม่นานภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีก็จะถึงขั้นโสดาบันได้อย่างแน่นอนมีไหมคําถามหมดแล้วครับหมดแล้วนะเอะความเพียรอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นต้องหมันศึกษาเพราะ ถ้าไม่ศึกษาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวหลงทางได้เดี๋ยวเข้าใจผิดได้แล้วศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางต้องศึกษาด้วยต้องปฏิบัติด้วยแล้วมันจะรู้ว่าไปถูกทางหรือไม่ถ้าไม่ถูกทางก็กลับมาศึกษาใหม่มาค้นคว้าใหม่หรือไปถามผู้ถามครูถามอาจารย์ว่าปฏิบัติแบบนี้แล้วมันได้แบบนี้ใช่ถูกทางหรือไม่ถ้าไม่ถูกทางก็จะได้เปลี่ยนวิธีปฏิบัติใหม่ อต้องมีการศึกษามีการปฏิบัติไปพร้อมๆกันศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมวิธีปฏิบัตินศึกษาแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะไม่ลืมแล้วก็จะได้รู้ว่าปฏิบัติถูกแร้วไม่ปฏิบัติไม่ถูกทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆศึกษาปฏิบัตินี้มันไปด้วยกันมันไม่ได้แยกกันไม่อย่าไปคิดว่าต้องเรียนจบพระไตรปิฎกก่อนแล้วก็ไปปฏิบัตินี้ ข้อนี้เป็นการเข้าใจผิดเรียนพอเท่าที่รู้ว่าต้องทําอะไรรู้ว่าตอนนี้ต้องทําทานก็ทําทานไปรู้ว่าต้องรักษาสี่ห้าก็รักษาสี่หน้าไปทาไปก่อนแล้วเดี๋ยวอยากจะเพิ่มขึ้นก็ค่อยมาศึกษาต่อว่าจากขั้นนี้ไปสู่ขั้นนั้นต้องทําอะไรเพิ่มต่อไปนะทําอย่างนี้ไปแล้วมันจะก้าวขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปถึงขั้นสูงสุดได้อะแลนะ้วเนอะ